จิตเราเนี่ยเราไม่ฝึกเขาแบบนี้อั น, นี้โลกอย่งการฝึกฝนนะแต่ว่าเวลาเราไปอยู่ที่บ้านอยู่ในสังคมเราจะฝึกฝนแบบนี้ไม่ได้นีเราต้องทำยังไงอ่ะเราก็ต้องปรับ เวลาเร า, าฝึกอย่างนี้เราฝึกเพื่อเพื่อไปใช้ข้างนอกเหมือนเราไปเรียนขับรถหรือเราไปฝึกทหารมีกฎระบเบียบวิ น, นัยก็บังคับเยอะมาก แต่ว่าไปออกไปในสน า, ามรบจริงมันไม่ใช่มันอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ได้วิชารบ ก, ก็เหมือนอย่างนี้โลกข้างนอกเนี่ยมันจะต้องใช้สติมากมันจะต้องใช้ปัญญามากโลกข้างนอกนี่มันมันยิ่งกว่ายิ่งกว่ายี่กว่าต้องระวัง โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมหอะไรนิดๆหน่อยๆใ น, นเดือดร้อนกันไปหมดในเดยวนนี้ยอ่ะไอ้นุ่มเกาหลีที่ว่าหนีคดีมาจากเกาหลีหลบหนี้มาร้อยกว่าล้านมันนอนนึกว่าตัวเองจะสบายแล้วนอนคอนโดเช่าเดือนสาม0มื่นเพราะว่า มันมันปิดเหตุที่จะค้นพบเจอนะไม่รู้จะไม่มีโอกาสได้เจอวันดีคืนดีมีเสียงระฆังขึ้นมามีคนร้องเรียนเรื่องเสียงระฆังแค่นั้นโอ้โหเดือดร้อนกันไปใหญ่โตถึงขนาดที่จะถอนไบอนุญาตคอนดูไปกันใหญ่ เนันโรคข้างนอกทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นเราเนี่ยรุ่นที่แก้ยากเพราะรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นเรารุ่นคนอายุสี่สิบกว่าเนี่ยจะไปปรับตัวให้เข้ากับรุ่นรุ่นเด็กๆ ย, ยากมากเพราะมันสันดาลมันค น, คนเรียกว่าคนละเจนเงิน เรื่องราวที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกธรรมดาธรรมดาไอเรารู้สึกแปลกประหลาดมากไอเรารู้ว่ยเด็กทําไมเดี๋ยวนี้ตัวนิดเดียวมันจับมือถือแล้วแต่นี่เรารู้สึกแปลกใช่ไหมเพราะสมัยเรายังเล่นหนังสติ๊กกันอยู่อ่ะ <c oughs> แต่เขาไม่แปลก <c oughs> ก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกี่ยวกับระบบศีลธรรมด้วยออื ไม่เกี่ยวกับความดีความชั่วด้วยก็มไม่รู้สึกทาไมทำไมจับโทรศัพท์มือถือนี่ทำไมมันต้องเป็นคนเร็วด้วยเขางงออบางทีเราไม่ทันเขาเลยเราพยายามพระยัดเยียดให้เขาไงเพราะราคนเราเวอร์ชั่นกันนะ่ะท่านอยู่ข้างนอกนี่อยู่ยากนะมันจึงจะต้องมีสติมีปัญญามีสมาธิ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์สติสมาธิปัญญาที่มีอยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆใช่ไม่ได้เราจรึงจะต้องมันฝึกเวลาฝึกแรงใจที่ว่ามาเจ้าเนี่ยสำคัญมาก นี่จะพูดว่าอนาปนาติที่พวกเราฝึกอยู่เนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรในชีวิตหมายถึงในภาคสังคมในภาคที่เราครองเรือนเราพยายามทำอย่างเงี้ยเอาแค่สองสองอย่างเนรูลมหายใจที่มันยาวรูลมหายใจที่มันสั้นรวยมันเยอะเยอะยยยเอาแค่นี้ก่อน รู้จนจิตมันมีความรู้สึกว่าปกติแล้วมันจะอยู่กับลมหายใจหาเวลามาฝึกอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็ทำอย่างเงี้ยให้บ่อยๆแต่ให้มันต่อเ น, นื่องสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ได้กี่นาทีไหมลูหื่เออครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยได้ครึ่งชั่วโมงงเงี้ย ทำบ่อยๆอย่างงี้บ่อยๆอย่างนี้บ่อยๆอย่างงี้บ่อยๆอย่างี้บ่อยเพราะเมื่อจิตมันอยู่กับลมหายใจมันไม่มีเรื่องเวลาจิตมันอยู่กับลมหายใจมันสงบเวลาจิตมันอยู่กับลมหายใจมันไม่วุ่นวายเพราะไอตอนที่มันวุ่นวายมันออกจากลมหายใจเพราะฉะนั้นให้เขาอยู่กับลมหายใจบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ ออยู่บ้านกวาดขยะกวาดไปกวาดไปกวาดไปกวาดไปพอหยุดกวาดปับ๊บกลับไปที่ลมหายใจเอามือเท้าสอเอวก็ได้เงี้ยแล้วพยายามฝึกหลายหลายเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจของตัวเองยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีเขา ม, มีเขามีงานวิจัยว่าลมหายใจนี่ให้ประโยชน์มากเนี่ย นั่มาก็ไปได้วิธีลดเบาหวานด้ลมหายใจก็มีมีเยอะมากอของมหาดลก็ทำวิจัยกันไว้ที่ออกมาออกต่างๆไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าใช้ลมหายใจจนกระทั่งได้ตรัสรู้และใช้ลมหายใจสอนการภาวนามันมัน เกี่ยวพันกันไปหมดถึงการหลั่งสารเคมีการสร้า ง, งนวสร้างนี่การเผาผลาญการอะไรต่างๆในร่างกายนี่เยอะแยะไปหมดแต่ว่าเราเอาความสาหบของใจเป็นหลักเราฝึกให้เขาเมื่อยามใดที่เรารู้สึกตัวขอให้จิตได้รู้ลมหายใจพอเรารู้สึกตัวที่มันไม่เป็นบวกเป็นลบอ่ะไม่ได้วัวเราะไม่ได้ร้องไห้ รู้สึกตัวกลางๆให้เขารู้ลมหายใจฝึกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาอยู่กับลมหายใจบ่อยๆมีลมหายใจเป็นที่อยู่แล้วเนี่ยร่างกายเราก็เหมือนบ้านเลยทนีมีห้องครัวมีห้องอาหารมีห้องนั่งเล่นมีห้องหนังสือและห้องนอนบ้านทั้งหลังหลายห้องเนี่ย ไอ้ตรงไหนที่เป็นหัวใจของเขาจริงๆก็คือห้องนอนห้องนอนงั้นเราจิตเราให้รู้ลมหายใจไปบ่อยฝึกเขาฝึกเขาฝึกกกฝึกจนจนมีห้องนอนอยู่ที่จิตก็หมายความว่ามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักเอาในยามที่จะต้องเขียนหนังสือในยามที่จะต้องทำงานในยามที่จะใช้เต็มที่พอเสร็จจากเรื่องเหล่านั้นแล้ว ให้เขากลับมาอยู่ที่อยู่หลักได้เพมันยามใดที่เรารู้สึกตัวเราก็เอาลมหายใจกลับมาเอาจิตกลับมารู้ลมหายใจยามใดที่เรารู้สึกตัวว่างแล้วไม่เป็นบวกเป็นลบจิตกําลัางอยู่เป็นกลางพอดีก็ยกกลับมาอยู่ที่ลมหายใจให้กลับมา บ, บ่อยๆทุกครั้งที่กลับมาอยู่ที่ลมหายใจนั่นคือการต่อยอดต่อการปฏิบัติของเราผมมีเวลาปั๊บเราก็มานั่งฝึกอย่างนี้ผมมีเวลาปั๊บเราก็มานั่งฝึกอย่างนี้ พอมีเวลาปั๊เราก็มานั่งฝึกอย่างนี้และจะทําให้เราเกิดคลิกพลิกอะไรพลิกวิถีชีวิตของเราเป็นการปฏิบัติ hmm. พฤติกรรมทั้งหมดยกขึ้นเข้าไปสู่การปฏิบัติโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้สึกอึดอัดโดยที่เราไม่ได้รู้สึกบังคับเลยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นต้องฝึกให้เขามี ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักให้เป็นเงินเปิดโอกาสกันเขาพอฝึกไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ดูอากุศลละอากุศลด้วยลมหายใจดูนิวรณเป็นตัวแรกความง่วงเนี่ยง่วงไหมฮะง่วงก็ลองง่ายๆง่งวง เอาลมหายจะมาสู้สิเอาแรงใจทั้งหมดทิง้งไปที่ลมหายจะเหี่ยวเฮ้ยมันง่วงเว้ทยทำไงดีวะหายใจเข้าออกทางจมูกไม่ไหวแล้วหายใจเข้าให้สุดแล้วเป่าลมออกทางปาก เป่าจนลมหมดแล้วก็พยายามเปาม๋าไม่อกไปเพราะมันหมดจริงๆปับ๊บมันก็จะดึงลมหายใจเข้าตามอัตโนมัติแล้วความห่วงมันก็หายไปนี่เล่นยาแรงกับมันมันห่วงไหมเป่าลมหายใจออกช้าๆยาวจนจุด สุดแล้วก็พยายามเค้นลมออกมาอีกเมื่อมันหมดจนไม่มีอะไรออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าอัตโนมัติเราก็รู้นะเราต้องรู้กับลมหายใจนั้นต้องออ ก, กั้งเข้าไอความวุ่งมันก็หายไปนี่เล่นยาแรงโดยการเอาลมมาทำให้มันเกิดความรู้สึกตัวนอกเหนือจากการถ้ายืดตัวงี้แล้ว พยุตัวบางคนพยืยตัวแล้วมันยังครอบยืดตัวแล้วมันยังเอามาอยู่อ้าอย่างนี้พยายามเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาอารมณ์ทั้งหมดอา้าวเกิดความรู้สึกโกรธอยู่ข้างนอกอะ่ะโกรธแล้วอืม แทนที่จะให้อ้ความโกรธนั้นมันครอบงำใจของเราเราก็สยบเขาชํำระเขาด้วยลมหายใจเนี่ยก็อย่างเดิมยกจิตกลับมาที่ลมหายใจได้ประคองลมหายใจยาวๆ้วยลมหายใจออกก่อนแล้วก็เข้า ให้เขารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเมื่อได้ต่อเนื่องเสร็จแล้วดูอารมณ์ความโกรธนั้นสหบไปแล้วหายไปแล้วเราก็หยุดจากลมหายใจแล้วก็ดูอ่าไอความโกรธนี้ดับไปแล้วนั่นในวิถีชีวิตจริง เราก็ใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องอยู่กับชีวิตของเราข้างนอกถ้าเราทำอย่างนี้ได้นั่นหมายความว่าเราพลิกชีวิตของเราเป็นการยกทุกอย่างเข้ามาสู่การภาวานาได้ทั้งหมดมันก็จะต่อยอดกันเลยกันเพราะฉะนั้นแรงใจในการที่จะ ใส่ลงไปในลมหายใจนี่สาคัญอันพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่มีภิกษุกรูปหนึ่งได้เป็นทิพยจักสุก็มาจากกายะคตาสติอันมีอนัสติเป็นต้นการที่ภิกษุรูปหนึ่งได้พาจิตเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งก็มาจากกายะคาตาสติ กายานุปัสนาการที่ภิสูรรูปหนึ่งทำให้สังโยกหายไปก็มาจากอันนี้เพราะระเจ้าไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะไม่ได้ยกย่องเรื่องอื่นเลยเอาเรื่องนี้เป็นหลักเอาเรื่องกายคตาสติเอาเรื่องสติปัฐานสีคือจะพูดชมยกอะไรก็ตามจะต้องอยู่ในสติปฐานสี่มีกายานุปัสนาเป็นต้น และทรงเน้นถึงเรื่องกายคตาสติลมหายใจจึงเป็นกายคตาสติอันหนึ่งจะได้อะไรจะเป็นอะไรจะต้องอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเราจิตเราอยู่กับลมหายใจมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่สภาพที่จิตรู้ลมหายใจในขณะที่ลมหายใจออกในขณะที่ยมหายใจเข้าเนี่ยมันเป็นการ ยกจิตให้มาอยู่ความเป็นกลางความเป็นกลางคืออะไรความเป็นกลางคือความเป็นจริงมากมากกว่าการปรุงแต่งถ้าจิตอยู่กับความเป็นกลางจิตอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าการปรุงแต่งลองคิดดูสิอะไรเกิดขึ้นอม มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตเลยในชีวิตของเราโดยเฉพาะความคิดถ้าจิตอยู่กับความเป็นกลางความเป็นจริงมากกว่าการปรุงแต่งเช่นเมื่อเขาอยู่กับลมหายใจเป็นปกติลมหายใจออกเขรู้ลมหายใจเข้าเขรู้ลมหายใจออกเป็นอย่างไรเขารู้อย่างนั้นลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรเขรู้อย่างนั้นเนี่ยเพราอันนี้เป็นที่อยู่หลักแล้วมีสภาวะอันใดที่มีเหตุปัจจัยเกิดเขาก็ หันไปเห็นสภาวะอันนั้นตามความเป็นจริงไม่ได้ปรุงแล้วจิตไม่ได้ปรุงเข้าไปสู่การรู้แล้วเห็นตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงอันนี้จะค่อยๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราก็จะค่อยๆรู้รู้เรื่องราวของสภาวะทั้งหมดเลยทั้งหยาบทั้งกลางทั้งเอียดรวมความว่า รู้ในเรื่องรูปรู้ เ, เรื่องของนามได้ตามความเป็นจริงถ้าไม่เป็นกลางมันจะรู้ไม่จริงจริงยากไอ้จริงด้วยการคิดนี่มันไม่แม่นยำนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าปัสตโตนัตถีกินจานางความกังวลของผู้ที่เห็นนั้นนะไม่มีผู้ที่เห็นนะไม่มีคำว่าเห็นคืออะไรคำว่าเห็นก็นหมายความว่า มันมีเหตุปัจจัยปรากฏขึ้นแล้วจิตเห็นเข้าใจไหมมันมีเหตุปัจจัยปรากฏขึ้นได้จิตเห็นจิตในขณะนั้นอยู่กับอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงทันไหมทันไหมจิตณ์ใขณะนั้นอยู่กับความเป็นกลางคืออยู่กับอารมณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจริงๆเรียกว่าอยู่ตามความเป็นจริง แล้วมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นจิตไปเห็นเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจึงจะสามารถเห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่ว่าจิตไปน่วงนึกอดีตเนืองลูกอนาคตแล้วมาปรุงปๆุงปุงปรุงปุ ง, ป ง, ปงเพื่อให้เกิดความคิดขึ้นไม่ใช่แต่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นในขณะที่จิตอยู่กับความเป็นจริงคืออยู่กับความเป็นกลาง โอเคไม่เข้าใจตรงนี้ยังไม่อยากผ่านนะอยากให้เข้าใจเข้าใจไหมฮะเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งในขณะที่จิตอยู่กับอารมณ์อันเป็นปัจจุบันในขณะในขณะใครขณะในขณ ะ, ขณะรู้อยู่กับลมหายใจในขณะในขณะที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่นั้นเรียกว่ารู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงนั่นคือความเป็นกลางแล้วมีเหตุปัจจัยอันอื่นเกิดขึ้น จิตไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกเห็นจิตจะไม่ไปพัวพันปรุงแต่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเองเพราะเขาอยู่กับปัจจุบันแล้วมีสิ่งเกิดขึ้นก็ก็เห็นเหมือนเหมือนเราไปยืนอยู่ริมน้ําและยืนมองสายน้ําที่ไหล เรามองสายน้ําที่ไหลเนี่ยเรามองนิ่งๆน้ําก็ไหลไปไหลไปไหลไปเรามองเฉพาะสิ่งที่กระทบที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะในขณะนั้นทีนี้อยู่ๆในขณะที่เรานิ่งแนละ้วมันมีสิ่งโผล่ขึ้นมามีเขาเรียกว่ามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีกิ่งไม้เกิดขึ้นมีอันโ น, น้นเกิดขึ้นมีอันนั้นเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในปัจจุบันมันคนละส่วนกับที่เรารู้อยู่อันนั้นเราเรียกว่าเห็น แต่ถ้าเราวิ่งตามดำน้ำําำสนมติน้ํามันวิ่งอย่างนี้น้ำมันไหลอย่างนี้ใช่ไหมพอน้ำมันไหลปั๊บเราวิ่งตามองตามอย่างงี้มองตามอย่างงี้กู่สุดถูสุดตาอย่างนี้มันจะไม่เป็นปัจจุบันเลยเข้าใจไหมเราต้องอยู่กับเป็นความปัจจุบันปุ๊บนิ่งปุ๊บน้ำมันไหลมาอย่างนี้เราดูตรงเนี้ยอืมเห็นตรงเนี้ยอยู่กับตรงเนี้ยอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาเราเรียกว่าเห็น เพราะตารเราไม่พยายามที่จะไปดูอะไรเพราะมันดูเฉพาะสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าใช่ไหมเอออะไรมาโผล่ขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าเห็นตอนดูนะดูน้ ำ, หน ำ, น ำ, น ำ, นำเห็นไหมดูน้ําดูน้ําดูน้ําดูน้ําเห็นแต่น้ําอยู่กับน้ํานิ่งๆ mechanisms! แล้วอยู่ๆมีสิ่งที่โผล่ขึ้นมาตรงนั้นโผล่ขึ้นมาตรงนั้นไอ้สิ่งที่โผล่ขึ้นมาเราเรียกว่าเห็น เห็นนี้มันจะต้องมาจากการที่จิตมันอยู่กับความเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงเรียกว่าความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเราฝึกไอ้จิตก็เราอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยู่ทั้งวันอ่ะเปล่าไม่ได้ซักผ้าสักผ้าเสร็จก็มานั่งสักสองสามปื้ดทำเล่นอย่างเงี้ให้เขาอยู่กับความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันดูในความเป็นกลางนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ อย่างที่พวกเราทำกันอย่างเมื่อตะกี้เนี่ยแล้วเราก็ใส่แรงใจคําว่าใส่แรงใจหมายความว่าไอ้นี่พูดพูดในแง่ที่ว่าวิถีชีวิตตอนที่เราอยู่บ้านนะไม่ได้อยู่ที่นี่นะเหมือนกุญยามปกติที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาที่จะไปนั่งตามดูข่าวข่าวเดี๋ยวนี้มันก็มันก็เหมือนกันนะ่ะ ข่าวเดี๋ยวนี้มันเหมือนอะละครสั้นบางเรื่องก็เป็นซีรีส์ละครสั้นก็คือว่าอาจบในตอนเดียวลุ่มเยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวมันไม่ต้องไปหาอะไรอื่นนะฮะเอาแต่จากอะไรคลิปได้มาจากคลิปหนึ่งก็พูดกันเสียใครจะเชื่อเนี่ยมากลับมาเรื่องนี้ ใครมันจะเชื่อเสียงระคังเนาะ <c oughs> เดือดร้อนกันไปทั่วเลยถ้าอย่างนี้มาจากอะไรนะว่ออกจากความเป็นกลางแล้วก็ปรุงไปทั้งหมดเลยปรุงไปทั้งหมดเลยนี่เราไม่เอาอย่างนั้นเราต้องอยู่กับกายยคตาสติโดยเป็นอาณาปานาติดกับลมหายใจเนี่ยย้ำกับไป พอเวลาว่างใดๆก็ตามที่สามารถอยู่กับลมหายใจได้อยู่กับเขาเถอะอยู่กับลมหายใจทันทีเลยให้เป็นเครื่องอยู่หลักถามว่าพอเราไปอยู่บ้านน่ะเราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักได้ไหมเออได้ไหมในขณะที่เรามีสามีเรามีภรรยาเรามีลูกเรามีเพื่อนฝูงเรามีงานมีลูกน้องมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเราจะ มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักของเราได้ไหมได้นะเออใครมีเห็นเป็นอย่างอื่นคำว่าได้ไม่อยากได้ยินแล้อยากได้ยินว่าไม่ได้มีไหมนะไม่มีถ้าเราอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักแล้วสบายสบายไหมสบายเหมือนเล่าไห้พังมาตอนเช้า ไอชายนมที่มันถือหม้อน้ำมันที่เต็มเปี่ยมไอคนเนี้อ่ะมันไม่น่าที่จะทําได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นคนรักสวยรักงามมันเป็นคนที่รักชีวิตมันเป็นคนที่อยากอยู่ไม่ควไม่อยากตายเป็นคนที่กลัวตายไปไปเห็นนักร้องเช้าวสวยที่ไอเป็นชนบุตรกาลยานี น, นี่แล้ไอชนบุตรกาลยานีเนี่ยอืมต้องเข้าใจว่า มันเป็นแรงจูงใจที่ดุนแรงมากกว่าแรงใจที่เราจะไปต้านมันได้นะพระพุทเจ้าตรงยอดเยี่ยมมากเลยยกเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์มาเปรียบเทียบ เ, เราลองคิดดูดิไอ้นักหนุ่มสำราญนักรักพวกอะไรพวกนักต่องนัก พวกเพลงบอยพวกหลงแสงสีเสียงอะที่ถึงขนาดจะต้องลงทุนเป็นล้านๆเพื่อให้ได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้และชนบทกาญยาณีนี่เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามีความงามที่เว้นจากโทษหกความงามที่เว้นจากโทษหกไอ้พวก น, นี้จะสงสัยหลวงพ่อทำไมไปรู้เรื่องของความงามจาังวะ มันมีอยู่ในประเพณีวิดก์เว้ยเว้นจากความงามที่มีโทษหรืคือว่าไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ดําเกินไปไม่ขาวเกินไปอะไรวะอะไรเงีเนี่ยเว้นจากโทษของความงามหกอย่างเน่ยสูงเกินไปก็ไม่ดีเตี้ยเกินไปก็ไม่ดีดําเกินไปก็ไม่ดีขาวเกินไปก็ไม่ดี ออเอออ้วนเกินไปก็ไม่ดีผอมเกินไปก็ไม่ดีโกอย่างโอ้นีเก่งกว่าเก่งกว่าพระไม่แปลกพอดีเม่อวฟังยูพอดีเม่วนฮ้ฟังยูทู ป, ปมเม่อวานนี่เก่งกว่าพระไม่แปลกนะเรื่องความงามเก่งกว่าพระเ <c oughs> นี่ยนี่เรียกงามอย่างนี้เรียกว่า ง, งามอย่างหนึ่งเรียกว่ารูปร่างก็พอดี สีก็พอดีอะไรต้องกุพอดีลงตัวไปหมดแค่นั้นยังไม่พอเสียงเสียงเพราะเราเคยได้ยินและเกิดความรู้สึกไม่ว่าเสียงใครก็หนึ่งมันเพราะจับจิตจับใจแล้วเกินมีไหม ย, ยังไม่มีใช่ไหม ม, มีเหร อ, อนางเสียงองค์ชนบทกรลายานีเจ็เหนือกว่าเสียงนั้น เราเคยชอบใจเสียงใครพอใจเสียงใครโอ้มันเพราะเหลือเกินจับจิตจับใจเหลือเกินน่ะเสียงของชนบทกราญานีเหนือกว่าเสียงนั้นคิดดูแล้วกันนะขนาดไหนร่รำรูปร่างท่วงท่าลีลางดงามมากเขาถึงเราเคยไหมเคยพอใจชอบในท่วงท่าลีลาการฟ้อนรำของใครมัง้งมีไหมมีนะ ชนวะะนวมดกัลายานีเหนือไหวคนนั้นเราคิดดูดิมันน่าสนใจแค่ไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นไอคนที่มันชอบอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะชอบเที่ยวชอบดูการรําการพอนอย่างนี้อยู่แล้วพอไปเห็นข้าวไปไงมันต้องใส่ใจสิเห็นข้ามันก็ต้องลุกหลงไหลสิเพราะฉะนั้นไอพวกริงไซริงไซทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเป็นของไอพวกนี้ อ้ใช่ไหมนอกจากไอ้พวกเส้นพวกริงไซริงใไเนี่แถวหน้าเนี่ยจะเป็นของพวกนี้แหละกับพวกที่เส้นไอ้พระพุเจ้ายกตัวอย่างมาอย่างเงี้ยแล้วไอ้ชายหนุ่มคนนี้ถ้ามันเดินเข้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้พอเอ่ยเสียงร้องปั๊บจะดึงฝูงชนเข้ามาล้อมเต็มไปหมดเลยแล้วชายหนุ่มคนเนี้ย เขาจะต้องเดินถือหม้อน้ำมันที่เต็มแล้วค่อยๆเดินไปเนี่ยเสียงคนชมนางชนนบุตรกาลยา น, นีโหร้องถูกอกถูกใจเสียงกรี๊ดดังลั่นไปหมดแล้วเขาต้องเดินไปในท่ามกลางเสียงนะีข้างขวาเนี่ยข้างซ้ายมือนี่คนเต็มไปหมดข้างขวามือก็นางชนนบุกาลยา น, นีกันดึงรำและตัวเองเดินผ่านหน้าเนี่ยการที่เขาจะต้องประคองไม่ให้หยดน้ำมันร่วงลงจากหม้อใบนี้ ขอต้องใช้แรงใจขนาดไหนต้องใช้ความระมัดระวังขนาดไหนงานพระพเจ้าเปรียบเรื่องนี้ให้พวกเราพวกท่านเนี่ยพวกโยมเนี่ยพวกนักที่จะชื่อว่าเป็นคนปฏิบัติเนี่ยต้องมีแรงใจขนาดนี้แล้วจะประสบผล ถามทำได้ไหมได้ไหมทําได้ไหมไ ด, ได้ถ้าคนที่ตอบตอบว่าไม่ได้จะถามว่าเพราะอะไรตอบได้อย่างเดียวพอถามว่าเพราะอะไรถึงทาไม่ได้มันยากไม่มีเหตุผลอื่นอ่ะเอ้าวทำไมเราทําไม่ได้เราอย่าบมันยากแค่นั้นอ่ะแล้วมันยากตรงไหนอ่ะไอ้ยากตรงที่ทําได้นี่แหละ ทำไมันจะทําไม่ได้อ่ะมันยากยากตรงไหนอ่ะยากตรงที่จะทําให้มันได้นี่แหละวนอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> แต่ถามว่ามันทําได้ไหมทาได้ทุกนอะ่ะยากไหมไม่ยากเพราะพุทธเจ้าเปรียบให้มีคนถือดาบเงื้ออยู่ข้างหลังหยดน้ำมันหลุดออกจากหม้อดินเมื่อไใดจะฟันคอกาเดขาดกระดินงทันทีเลย มันก็อะไรก็ไม่สำคัญแล้วใช่ไหมหรื อ, อคนที่เดินเข้าไปไม่บอรัตนาในสายทานบอรัตนะเจ็ดประการเส้นทางที่เป็นลำธารลำธาร น, นี้ไม่มีอย่างอื่นนะที่ไหลมานี่นะ แก้วแหวนเงินทองมุกดาแก้วประพานเพชรนินพลอยไม่มีอย่างเลยนนะมองไปตะลิงนี่กูโอทองเงินมองไปตังนี่ไม่มีอะไรเลยนะไว่ไหวหมดนะแล้วเราเดินไปเนี่ยเราสามารถที่จะไอ้ที่ติดเราเดินอยู่ในในสายทานเส้นนี้ไอ้ที่ติดอยู่ที่เท้าเราเท้าเราเนี่ย กำลังแตะกำลังสวนอยู่กับเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองพวกนั้นนะเออแล้วเราจะตะวักน้ำมือไปตะวักน้ำขึ้นมาทักทีนึงเนี่ยมันจะเป็นครับพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นแรงใจของเราที่จะจับสนใจเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองพวกนี้เยอะขนาดไหนนั่นคือแรงใจต่อโลก แต่ในระหว่างที่เราเดินอยู่นี่มีคนเอาผ้าชุบน้ำมันชุบน้ำมันโยนลงมาบนศรีรษะของเราผ้าชุบน้ำมัน โยนลง ม, มนมนติสาของเราเราก็วิ่งวิ่งอยู่ในในใ น, ในลำธาร น, นั้นน่ะแรงใจของเราตอนนั้นไปไหนฮะแรงใจจะหลุดออกจากเพชรนินจินดาที่เป็นลำธารพวกนั้นไปแล้วลำธารนี่ว่าลำธารรัตนะใช่ไหมมาอยู่ตรงไห น, น มาอยู่ศีษะคือแรงใจทั้งหมดจะมุ่งในการปัดปัดไอไฟที่กำลังติดอยู่บนศรีรษะของตัวเองไอเนี่ยที่ว่ามันมีมูลค่ามหาศาลไม่มีความหมายเลยใช่ไหมเมื่อแรงใจมันถูกส่งไปที่อื่นเฮ้พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แล้วก็มาเปรียบนะ เราก็สามารถทำได้ไหมทำได้ในการยกแรงใจเข้าไปสู่ลมหายใจแต่มันจะทำได้ดีตนไหนอะเออเรามาฝึกเพื่อให้เขาคุ้นชินใช่ไหมฝึกจนกระทั่งจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักฝึกอย่างนี้ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักเดี๋ยวออกจากนี่ไปอา้าวเพื่อนเรียกไปเปียแช์ พอไปไม่างตั้งใจว่าปีเอ่องวดนี้จะเปียแล้วแชร์มือเนี้ยแต่ไปไม่ทันถึงเพื่อนบอกอ ม, มีคนเปียไปก่อนหน้านี้แล้วโอ้ยเกิดความเสียดายวิ่งปุ๊บเข้าไปหาลมหายใจก็สูบั่านเป็นกลางเลยทีไม่มีไพไม่มีเวนไม่มีโกรธเครื่องไรวิ่งกันไปเรื่องต่างทันทีเลยแรงใจตัวเนี้ยมันพอที่จะทำให้เราอยู่กับลมหายใจได้จริงๆไหมมันขึ้นอยู่กับอะไร อันนี้ท่านจะต้องจำในฐานะนักปฏิบัตินะที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะต้องใช้วันก่อนเคยพูดให้ฟังทีแล้วคาถาห้าบทท่านจะต้องระลึกทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันเข้าสู่ความเป็นจริงห้าเรื่องฮะ ทุกวันเลยครับไปทำตามทุกวันเลยครับทำตามทุกวันใช่ไมค่ะเออดีแล้วเราจะต้องระลึกนะฝั่งนี้ได้ยินไหมได้ยินฮะเออเราแต่ต้องระลึกอยู่ประจําประจําสมำส ม, ม, สมเสบอเลยเรียกว่าคาถาบทเนืองเนืองพระพุทธเจ้าเรียกว่าอภินาปัจเวกคือระลึกถึงเรื่องนี้5เรื่องนี้ไอ้บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่ยบ่อยๆ ระลึกลได้งไงรละลึกและจิตจะถูกปรับทัศนคติให้ตรงขึ้นมาความที่จิตมันจะเข้ามาอยู่กับลมหายใจได้เนี่ยมันยิ่งมีแรงใจเพิ่มขึ้นอีกกรนนานั้นถ้าเรารู้สึกว่าไม่นายเราไม่นานเราต้องตายแล้วเราใกล้ความตายขึ้นมาทุกทีแล้วเราจะตายแล้วในรอบวงชีวิตของเราเนี่ยถูกพันไปด้วยเส้นใยของความตาย ไม่มีร่องไม่มีรูไม่มีช่องที่จะให้โผูให้รอดให้แลบออกไปให้รอดพ้นจากความตายได้เลยเราําลังจะตายแล้วสามารถพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนเห็นว่าชีวิตของตัวเองเไม่มีอะไรอื่นแล้วมันมีแต่ความตายอย่างเดียวความตายชื่อว่ามรรคนี้มันครอบเราอยู่อย่างรุนแรงไม่มีช่องไม่มีรูไม่มีจังหวะที่จะแลบที่จะหลุดที่จะรอดออกไปได้ พอพิจเห็ น, นงเห็นอย่างั้นไ้นไงทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีไฟมาติดอยู่บนศีรษะแล้วเพราะในการเรียงลำดับของปัญญาที่พระสาวริบุตรได้กล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามัค73 73ยานจะเคยได้ยินไหมเออเก็กล่าวกล่าวกันไว้คนนุ้นมางคนเรื่องก็รวบรวมไว้เนี่ยพวกที่ไปเรียนไอ นะพวกไปฝึกกรรมฐานอีกพวกหนึ่งอีกสายหนึ่งนะความรู้อย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับครติดอยู่บนศรีรษะต่อชีวิตที่เป็นเนี่ยแต่เราจะต้องพิจารณาถึงความแก่ถึงความเจ็บถึงความตาย ถึงความที่เราจะต้องพลาดพลาดเรามีอะไรที่เราเซ็นเป็นชื so ่อเป็นสิทธิ์นางสาวกอัอนี้เป็นของนางสาวกอัอนี้เป็นของนางสาวกอัอนี้เป็นของนางสาวกอเป็นเจ้าของเป็นลิขสิทธิ์อะไรที่เรามีและเป็นลิขสิทธิ์ของเราจงรู้ไว้เราจะต้องพลาดพลาดจากมันเราจะต้องพัดพลาดจากมันเราจะต้องพลาดพลาดจากมันมีสร้อยเพชรย5หกระรับเป็นของเราใช่ไหม จงรู้ไว้เราจะต้องพลาดพลาดจากมันไม่มันไปจากเราเราก็ต้องไปจากมันเห็นแด้วเห็นทุกวันไอตอนมีนี่เรียกว่าตันหาไอตอนที่พิจารณาว่าพลาดพลาดนี่ตันหาด้วยไหมฮะตันหาด้วยปะไ ม, ไมเ่เอาเราพิจารณาดูดิอ้า ไอตอนมีเนี่ยชอบใจนี่คือตันหาไอตอนพิจารณาว่าเราจะต้องพลาดพลาดจากมันเราจะต้องพลาดพลาดจากกันคือตันหาด้วยวะฮะถ้าเราพิจารณามันบ่อยๆบ่อยๆบ่อย ๆ, อยๆว่าเราจะต้องพลาดพลาดพราดพลาดพราดพลดพราดถึงวันที่พลาดพลาดจากกันแล้วเป็นไงเออ เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้จิตของเราอยู่กับลมหายใจให้ได้เป็นประจำเป็นหลักพอเขาอยู่ได้เป็นกลางตามความเป็นจริงที่เป็นกลางแล้วเขาก็จะเห็นเกิดอาการเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงเนี่ย เพราะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันจึงเกิดกเป็นเหตุขึ้นมาที่เปรียบเหมือนเรามองนะทีนี้ไอการที่จะทําให้เราอยู่กับลมหายใจได้การที่จะทําให้เราอยู่กับลมหายใจตามความเป็นจริงได้มันก็จะต้องปรับต้องปรับขึ้นมาเอาครอยากให้ต่อไปอีกนิดนึงนี่เราอายุขนาดนี้ใกล้ตายยัง ฮะเออคนหลงก็จะรู้สึกว่าเออุสาเดินทางมาตั้งไกลเสียเวลามเวลามานั่งฟังทำไมพระพูดเรื่องอัปมงคลอย่าพูดต่อทำไมพระพูดเรื่องอัปมงคลเนี่ยคนก็พูดอย่างนี้ก็รู้สึกอย่างนี้ฮะ แต่ความจริงนี่คือมองคลอระมงคลคือเอาของจริงมาพูดว่าไม่จริงเอาของไม่จริงมาทำเป็นให้เป็นจริงอระมงคลใช่ไหมของมองคลคือว่าจริงคือจริงไม่จริงคือไม่จริงเนี่ยคือมองคลพวกเราเนี่ยใกล้ตายกันยัง กายเดวเวลาเราใกล้จะตายเนี <Okay. S 1> da, le ่ยเราจะต้องเจ็บไหมใช่แล้วเราตายเจ็บยังตเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วฮะยมันม่แน่เจ็บมอไหก็ได้เอออย่าคิด อยากคาดคะเนหลับตามองไปที่ร่างกายของตัวเองอเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนั้นเดี๋ยวเมื่อยตรงนี้เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้แล้วก็เปิดดูกระเป๋าที่มีบัตรหมอนัดเปล่าดูความเจ็บของตันเองเพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่า อาตุรังขึ้น อ, อาดูนมีร่องมีรูมีช่องรั่วยอยู่จังนั้นน่ะอยู่สม่ำเสมอไม่เคยเต็มไม่เคยสมบูรณ์อุโนโอโลโกแล้วก็พร่องอยู่สเสมอ ที่ท่านนั่งทุกขณะทุกขณะเวลาที่เคลื่อนกับไปเคลื่อนกับไปเคลื่อนกับไปจงรู้ไว้เถอะนั่นคือถ้ามันเคลื่อนไปนาทีนี้ผ่านไปแล้วเราไม่ตายนะั่นเราโชคดีนั่นเลยเราโชคดีแต่เราจะโชคดีกี่ครั้งฮะเราจะโชคดีทุกครั้งไหมทุกครั้งวะไม่มีทุกครั้งหรอกอืม มันเราต้องต้องคิดเรื่องเนี้อย่าทําให้อย่าปรับใจให้ยิ่งลุ่มหลงมัวเมาในวัยของตัวเองต้องไงเขาอยู่กับความเป็นอย่างเนี้พอมันคิดไปอย่างนี้ปั๊บมันจะเห็นอะไรหรือเป่าฮะมันจะเห็นอะไรพอเรารู้จักสภาพร่างกายของเราเองเนี่ยศึกษามันให้รู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เสร็จแล้วเออมันก็ เปลี่ยนแปลงแปรปลวนอยู่ขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะมันใกล้กับความตายใกล้กับความแตกดับมันไม่มีอะไรเลยที่จะควรก็ไปยึดถือเป็นสาระเมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความกลัวกลัวไหมล่ะทีเนี้ยกลัวไหมกับการที่มันจะต้องตายมันจะต้องแตกดับออกไปเนี่ยกลัวไหมเพราะว่ามันจะต้องพลัดพรากจาก ภรรยาผู้น่ารักสามีผู้เฟร์เฟกลูกหลานสมบัติอันเยอะแยะมากมายมันจะต้องพลาดพลากจากกันมันก็เกิดความกลัวในความเปลี่ยนแปลงในความที่มันเป็นอนิจจังในการที่มันเกิดมันดับมันก็เกิดความกลัวพะกลัวมากๆแต่เราก็ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ใช่ไหม เรายังอยู่กับลมหายใจมีแรงหลักอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็นองเพ่งเพ่งพิดพินิจมองเพ่งพิดพินออะไรเห็นก็เห็นตามความเป็นจริงทีนี้มันก็จะเบื่อมันจะเบื่อรู้สึกความเบื่อไหมถ้าเราไปอยู่ห้องห้องหนึ่งอะเราเบื่อมากไม่มีอะไรที่เป็นแรงจูงใจสำหรับที่จะให้เราอยู่ในห้องนี้เลยเราเบื่อมาก เบื่อจนอึดอัดเราจะเกิดอะไรนิพิจารฮะแล้วเบื่อนั่นนิวิจาแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงอะจะเป็นยังไงฮะ อ, กออกไปจากเหลื อ, กออกไปจากอึดอัดนะคะอยากออกใช่ไหมอึดนัดแนะอือยากออกไใช่ไหมนี่เข้าใจไหมว่าทําไมเราจะต้องปรับวิถีชีวิตของเราให้มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นหลักไว้ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลำดับของเขาของการเติบโตของปัญญาเป็นการเติบโตของสติแต่ถ้าเรานั่งอย่างเมื่อกี้ให้นั่งสาบอนาทีพอผ่านไปนาทีเจ็ดนาทีที่แปดสาหรับบางคนปวดแล้วไนงะไอ้ที่มันปวดปวดปวดปวดเนี่ยมันเป็นรูรั่วของไอแง้แท่งแท่งนี้มันเป็นร้าวมันเป็นปริมันเป็นความไม่สมบูรณ์ มันเป็นลักษณะของกายภาพที่จะบ่งบอกว่ามันจะตายรู้ไหมนั่งเมื่อกี้ใครปวดมั่งนั่นแหะมันบอกว่ามันจะตายขาว่าพระแช่งแล้วเนี่อ้าวใช่ไหมถ้ามันไม่เจ็บมันไม่ปวดนะมันเป็นไปได้ไหมอ่ะไอ้ที่มันเจ็บมันปวดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานนิจังมันเป็นเรื่องบ่งบอกว่ามันจะตาย เพราะฉะนั้นในการฝึกฝนปฏิบัติเราจะต้องจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ให้ได้ธรรมะให้ได้ทรรมให้ได้ทำหมายความว่าให้ได้ปัญญาที่เข้าใจว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อชีวิตของเราให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงนี้แล้วนำไปใช้ที่บ้านได้ไม่ใช่มาถึงแล้วก็นั่ง ลุกเสร็จออกไปหมดไม่ได้อะไรท่านจ้างจำไว้ว่าวันนี้พูดมาทั้งหมดสามอย่างประกอบฝึกประกอบความบวญกับการปฏิบัติหนึ่งแรงใจสองความจริงและสามลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลัก ภาคเช้าได้เท่านี้ก็ดูแล้ว <c oughs> เพราะว่าอะไรตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ใช่ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เราสบายมันไม่เกี่ยวกับความรวยความจนนะมันไม่มีเกี่ยวกับความสูงความต่ำความสวยความขี้เร่มันไม่เกี่ยวกับหญิงกับชายมันไม่เกี่ยวกับเด็กกับผู้ใหญ่ มันไม่เกี่ยวกับ น, นอกกับในมันไม่เกี่ยวกับมีหรือไม่มีแค่มีลมหายใจเท่านั้นนะลองนึกดูดิลองคิดดูสามารถที่จะปรบับเวลามันเข้าเวลาจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักกับจิตที่ไม่มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เมื่อตอนเช้านี่ยกเปรียบเทียบเหมือนลิงลิงที่มันกระโดดอยู่ตามป่า แล้วก็นึกภาพดูโลดโผนโจนทะยานของลิงของลิงป่ามันไม่ไมนิ่งก็ไม่นิ่งด้วยความเป็นตัวของตัวเองนิ่งเพราะไม่มีอะไรทำใช่ไหมจิตของเราเนี่ยมันจะเสวยอารมณ์กลับกรอกเร็วเหมือนบาลีเตี่ยตะามยกตอนต้นโนนว่าพันดานังจะประลังจิตตัง ทุรคังทุนนิวารยังว่าจิตเนี้ยพันธนาคือกลับกลอกกวัดแกวงเร็วทุรคังรักษายากทุนนิวารยังห้ามยากนี่มันมีในเรื่องยากๆนะไอ้ใจิตใจเรายัดถากามะีปาธนางมีปกติไหลไปสู่อารมณ์ที่มัน ใคร่ตัวเสมอมีอารมณ์มีจิตเนี่ยจะไหลไปสู่อารมณ์ที่มันชอบอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่จะจัดการกับจิตดวงนี้ให้ให้เขาอยู่เหนือจากความทุกข์ได้น่ะมันเป็นเรื่องอยากและถ้าเราไม่ทำเราก็จมอยู่กับความทุกข์นั่นแหละ ที่ท่านมาที่นี่ทุกคนบางคนก็บอกว่าจะมาเพื่ออะไรอยเพื่อมาเอาบุญมาเพื่อปฏิบัติธรรมรู้ไหมว่าปฏิบัติธรรมทำไมมาเอาบุญเอาบุญทาไมบางคนมาทำไมอ่ะโอยไม่รู้จะไปไหนว่างอยู่วันอาทิตย์เพื่อนชวนเหตุผลต่างๆนานาทั้งหมดนี้อ่ย มันลงในเหตุผลเดียวกันลงในเหตุผลเดียวกันเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แหละมันลงในเหตุผลเดียวกันมาปฏิบัติธรรมทำไมเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ตอนนี้เรายังไม่ทุกข์เราเห็นทุกขคนอื่น ทุกของตัวเองเราไม่เห็นนะทุกของตัวเองไม่เห็นแต่ถ้าเราไปพิจารณาคาถาห้าบทที่เทศไปสองสามวันก่อนโน้ตเอ้ยสอามเดือนก่อนมึงเอาไปพิจารณาดูที่พระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาเห็นเถอะว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้ให้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความเจ็บไายไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้มีความพลาดพลาดเป็นธรรมดา จะต้องพลาดพราดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นมีคำเป็นของตัวเป็นต้นพิจารณาอย่างเรื่องความจริงอย่างนี้เราก็จะเห็นความเป็นจริงของชีวิตของเราเราจะเห็นในขณะของเวลาที่มันผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละนาทีนาทีกับชีวิตของเราเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ตรงนี้มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมสิ้นความย่อยยับของร่างกายของเราเราเห็นขณะที่มันเป็นไปเนี่ย ของชีวิตเราเนี่ยแท้ที่จริงมันคือความย่อยยับความพังพินาศของร่างกายแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นอะไรทีนี่ก็เราจะเห็นความทุกข์เพราะพระพุทธเจ้ารับรองไว้ไหมนะสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ ปพระาะฉะนั้นเราตรงนั้นเราต้องเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตกับร่างกายนี้เป็นก่อนพอเห็นว่าความทุกข์นี่มันแผดเผาย่ำยีบีบคั้นกายนี้จิตนี้ชีวิตนี้นั่นแหละมันจึงเกิดแรงใจแรงใจที่พูดตั้งแต่เช้านั้นท่านบอกว่าท่านมาที่นี่เนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรสุดท้ายมันจะลงด้วยเหตุผลเดียวแล้วชีวิตเรา ที่จะมาเปรียบมันเหมือนแก้วทรงกลมแบบนี้เนี่ยดูแก้วใบนี้นะแล้วดูมือนี่ลักษณะของแก้วทรงกลมใบนี้มันถูกบิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาด้วยแรงบิดมหาศาลที่ไม่สามารถทัดทานได้บิดไปช้าชาอย่างเงี้ยแก้วใบนี้ก็มีแต่อะไรตึงเกร็งปรีร้าวแล้วก็ แตกเหมือนชีวิตของพวกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกชีวิตมันถูกบิดอยู่อย่างนี้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะบางคนก็อยู่ในขณะที่และและความสัมพันธ์โดยปกติตึงเกรงปรีราวแตกนี่ว่าไปตามลำดับตนี้แก้วบางแก้วเนี่ยแค่ตึงก็แตกแล้ว บางแก้วเออเกร็งต eh? oh, ึงจะแตกบางแก้วต้องปรีก็แตกแล้วเอ้แค่ร้าวก็แตกแล้วปรีก็แตกแล้วแล้วมันก็แค่ตึงนิดๆหน่อยๆเองยังไม่เกร็งยังไม่ร้าวยังไม่ปรีเลยแตกใช่แล้วไอ้เราก็พอรู้อย่างนี้เอาไม่เป็นไรหรอกเราตอนนี้ยังแค่ตึงๆเอง ยังไม่ร้าวยังไม่กริ่งยังไม่ปริยังไม่ร้าวเลยยังไม่แตกไม่ใช่นะมันไม่เลือกชั้นไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกอายุดังนัชีวิตเราก็เหมือนแก้วทรงกลมที่ถูกปริ่งเงี้ยโอกาสแตกจึงมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพิจารณาเห็นความจริงอันเนี้ยมันจะเกิดแรงใจแรงใจสําหรับที่จะฝึกฝนจิตปัญหาต่อมาที่เราจะต้องรู้ก็คือว่า ร่างกายหรือชีวิตเราเนี่ยร่างกายกับจิตมันคนละตัวกันร่างกายฝึกฝนยังไงก็ตายดูแลยังไงก็ไม่รอดเราจะดูแลร่างกายยังไงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายมันไม่สามารถมาที่จะพ้นจากความตึงความเกรงความร้าวความปริความแตกได้ไม่สามารถ มันต้องแตกแน่นอนร่างกายแต่ใจไม่ใช่เลใจไม่ใช่เลยใจนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของอาสวะที่เราจะต้องฝึกฝึกฝึกฝึกเขาอยู่เนี่ยเพราะเราจะต้องกาจัดอาสวะออกไปใจเขาไม่เปลี่ยนแปลง เราจะต้องฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อสิ่งนี้เมื่อสติสมาธิและปัญญาเกิดบริบูรณ์ขึ้นที่ใจอาสวะทั้งหลายถูกสติสมาธิและปัญญาเจาะทะเลาะกับพองมันเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะทำให้จิตนี้เกิดดับปรุงแต่งไปเป็นอย่างอื่นได้มันก็ไม่ทุกข์นั่นนหะ คือที่ท่านมาที่นี่ถ้าไม่ใช่เหตุผลนี้เรามาด้วยเหตุผลอื่นทุกๆของเหตุผลที่เป็นความปรารถนาให้พวกท่านมาที่นี่สุดท้ายแล้วมันจะไปสู่เหตุผลนี้อยากได้บุญอบุญไปทาไม กําลังทําธุรกิจอยู่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เพื่ออยากให้มีบา ร, รมีจะทําธุรกิจให้สําเร็จทําธุรกิจสําเร็จและจะจะทำยังไงลองสืบถามต่อไปเรื่อย ๆ, ๆทุกคําถามทุกคําตอบของทุกปัญหาสุดท้ายมันไปสู่คําถามคําตอบนี้ไปสู่คําตอบเดียวกันเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ ลองไล่เรียงไปดูถ้าเรื่องเทวตมาพูดไม่จริงแสดงว่าอริยสัจไม่จริงนี่คือกระบวนการของอริยสัจส์่แต่ยามที่เรารู้สึกมีวัยมีอายุชีวิตมีเขาเรียก คนมีโปรโฟไฟล์คนมีโปรโฟไฟล์เนี่ยมันดีดีดี ด, ด, ดีมันน่าลุ่มน่าลงไหมตอนนั้นเราก็จะเมาเราก็จะเมาแต่ทุกอย่างจะหมดสิ้นไม่เหลือเราก็จะจากเข้าไป เราก็จะไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เราจะมองไม่เห็นค่าของสิ่งเหล่านี้เราจะมองไม่เห็นว่าศีลดียังไงสมาธิเป็นยังไงอะไรแล้วจะไม่แล้วเราจะมองเห็นกลุ่มคนไอ้นี่พวกเรานี่ไม่เกี่ยวกับพวกเรานะพวกเรานี่ดีหมดแล้วเราจะมองเห็นกลุ่มคนที่มาแบบนี้ เอ้มันไปทําไมมันบ้ามันไปทําไมเวลาโอยนูบ้านวันอาทิตย์นอนพักผ่อนเปิดแอร์สบายสบายไม่ดีกว่าเออดูละคงละละครนะเราจะเห็นคนที่มาทําแบบเนี้ยเสียเวลาเวลนู่นคนกแก่ๆนะี่อยู่กับหลานไม่ดีกว่าเออน้มาทําไมหามาอนี่ยอยู่กับหลานอยู่บ้านกับหลานสบายโอย้โหเลวอพอ หลวงพ่อดีตรงนี้นี่เองหลวงพ่อดีตรงนี้นี่เองไม่สร้างความเครียดเออเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้ในกลับใดที่เรามีโปรไฟล์เราก็จะเมาเมาเมาเมาบางบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนหรอกในสังสารวัตรเนี่ย การเวียนไหวตายเกิดที่ในสังสารวัตรเนี่ยที่มันวนเวียนวนเวียนอยู่เนี่ยเพราะว่าอํานาจของอุปทานที่มันยึดอยู่เนี่ยแรงยึดที่มันมีอยู่เนี่ยมันหนามากเยอะมากแน่นมากนี่ดีนะ พระพุทธเจ้ามาประกาศเป็นพุทธศาสนาแล้วเราจะได้มีโอกาสอย่างนี้กันโลกยุค 4.0 นี่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะพวกท่านลองคิดดูถามกลางความเชื่อในปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อกันแบบบ้าๆบอๆเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมายนะเดี๋ยวนี้ ในเรื่องลทัทธิในเรื่องของศาสนาในเรื่องของความร้ายศาสนาในเรื่องของทุกอย่างในเรื่องของความเป็นจริงของในชีวิตเนี่ยในสังคมเนี่ยมันหลากหลายมากพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ถูกโจมตีเถียงอีกศาสนาพุทธเราถูกโจมตีเรื่องอะไรฮะ คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีใครกล้าที่จะโจมตีเพราะอะไรเพราะมันถูกต้องและเป็นจริงแต่ศาสนาอื่นเนี่ยสังเกตไหมศาสนาพุทธเราเขาไม่กล้าเพราะว่าคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นถูกต้องและเป็นจริงมันโจมตีไม่ได้ถ้าโจมตีไอ้คนที่ตีมันจะเสื่อม เขาก็เลยโจมตีอะไรศาสนาพุทธโจมตีคระเออจอ ม, มตีพระแต่กับศาสนาอื่นเห็นไหมศาสนาอื่นเขาก็าพูดถึงที่จะปัญหาของศาสนาแต่ลศาสนาเขาพูดถึงอะไรคำสอนเลยอืม เขพูดถึงอะไรไ ก, ก, รไก็พูดถึงคําสอนเลยไม่เกี่ยวเขบ้วกบุคคลไม่เกี่ยวกขาพูดถึงคําสอนแต่พุทธศาสนาเนี่ยไอคนซึ่งมันเป็นสิ่งสมมุติเป็นสิ่งอนิจจังเป็นสิ่งเออเป็นไรลักษ์อยู่แล้วเป็นคนเปลี่ยนแปลงเป็นคนไม่เที่ยงเป็นคนไม่แน่นอนไม่จีรังยังย่งอยู่แล้วเป็นสิ่งสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตามความเป็นจริงอนั้นใช่ไหมเขาเรียกว่า ตีความจริงเข้าไปด้วยความจริงไม่เป็นไรแต่คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เคยลองคิดดูดิเคย ไ, ไหมไมีมั้ยไหมไม่มีอ่ะไม่ ม, ม, ม, มีตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันนี่ไม่มีและต่อไปในอนาคตอีกด้วยมีแต่ผู้เข้ามาพูดหนึ่งว่า อสมัยปัจจุบันรกไม่ค่อยจะปฏิบัติตามคำสอนพยายามที่จะให้คนนี่มาปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ใช่อีกเพราะไม่มีคำสอนใดนะที่ไม่จริงจาไว้เรานี่โชคดีมากนั้นขนาดพระพุทธเจ้าเอาของดีของจริงที่ถูกต้องมาประกาศมาหยิบยื่นถึงปากถึงตาถึงหูเราแล้วอะ่ะ งั้นเราจะต้องเร่งรีบแล้วเร่งรีบที่จะจัดการเรื่องนี้ทําสิ่งนี้ปฏิบัติสิ่งนี้เอาไว้มันจริงจังเลยด้วยการใส่แรงใจเข้าไปอันตรมาไม่เอาอะไรมากขอเพียงแค่เรานี้อยู่กับลมหายใจให้มากที่สุดหาจังหวะอยู่กับลมหายใจบ่อยที่สุดจนลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักของชีวิตพอลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักของชีวิตแล้ว ถ้าเรากลับไปอยู่บ้านน่ะบางทีเราดูละครกับหลานหลานมันชอบดูการ์ตูนก็ทนดูเพอหลานหลานมันดูการ์ตูนอยู่เราเราก็รู้ลมหายใจไปได้ไหมได้ไหมได้เช้าเอาเรามีครอบครัวเราต้องดูแลสามีเราต้องดูแลลูกในระหว่างที่เราดูแลสามีอยู่ดูแลลูกอยู่ปลุกลูกอาบน้ำให้ลูกแต่งตัวให้ลูกในระหว่างนั้นจังหวะว่างๆเราก็มาอยู่กับลมหายใจได้ไหมได้ ะไม่มีอุปสรรคอันใดที่จะห้ามไม่ให้เราอยู่กับลมหายใจได้ลองคิดดูดิเมื่อเราอยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักของเราทีนี้แหละเราจึงจะเกิดความเป็นกลางขึ้นมามันเิจะทําให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันมีเหตุปัจจัยดันเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้เมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางมันจะมองทุกอย่างโดยปราศจากอะไร ฮะเอ้คนนี้มันเก่งดิอเอไม่มีของว่ะนี่คือหลักความจริงไม่ต้องไปวังจากใครที่ไหนไม่ต้องอ้างอะไรเลยเมื่อจิตอยู่กับความเป็นกลางตามความเป็นจริงจะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นปราศจากอคติอืม แคเนี้ยชีวิตเราไปไงสบายแล้วมันจะอยู่พระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนอะไรรู้ป่าปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าสอนจึงมีสองภาคนภาคหนึ่งเป็นภาคภาคดับทุกข์ไอพ้นจากทุกข์เป็นส่วนตัวแต่อีกภาคหนึ่งเป็นภาคของไว้ค่อยเทศวันหลัง เดี๋ยวยาวเอาวัวนนี้เอาวนี้เอาแค่นี้นะหนึ่งเรื่องแรงยึดสองเรื่องอะไรฮะเออหนึง่งแรงใจแรงใจสองความจริงและสามลมหายใจยเอาไว้ได้ เช้านี้นะพอแค่นี้